ดมูมันเกิดมาอะไรมันเกิดมาจากความความเกิดตัลโลกก็ได้มันเกิดมาจากที่อื่นทำทำแต่ปุ๊บก่อมสัติก่อนสร้างไว้มันก็เป็นอย่างนี้แหละดูเอาวถ้ายอมรับมันก็สบายแต่ไม่ยอมรับมันก็ไม่สบายต้นทุก ตอนนี้ไปเป็นการนั่งภาวานาเพื่อปฏิบัติขัดเกล่าใจของเราของแต่และบุคคลดูลจิตของเจ้าของมันไปติดในสัญญาลมานันใดมันอยู่ในเอาก็พยายามกำหนดพินิจพิจารณา อยากจะขี้กายเพราะจิตของเรามันไม่มีความสงบถึงว่าทำมีอยู่มันก็รู้สึ่ได้เพราะมันยังกกแกงองยู่ไปตามคำยาลมไปตามความอยากความใคร่นั่นแหละจิตนั้นนั่นเรียกว่าปล่อยความอยากความความอยากทําให้ใจของเรามันสบายปล่อยวางถ้าปล่อยวางได้ มันก็ไม่หนักที่มันหนักอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะเราแบกอะไรก็ขนเข้าแบกมาแบกมาหามอยู่นั่นแหละใจดวงนี้มันจะหนักเท่าไหร่มันก็ไม่ยอมไม่มีคําว่ายอมหนักเท่าไหร่มันก็แบกเห็นไหมเวลามันคิดมันกุ้มขึ้นมามันคิดมันปุงมันแต่นบางครั้งจะเอาชีวิต จะไม่รอดนั่นมันก็ยังไม่ยอมบางคนกะทั้งกับโรคประสาทจะกินมันก็ยังไม่ยอมจิตลวงนี้เพราะอะไรล่ะเพราะขาดการพัฒนาขาดการฝึกฝนขาดการอบรมเราขางจากทำคาสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งเหล่านี้มันก็เลยมาเกิดขึ้นที่ใจ แต่ก่อนใจของเรานี่มันขาวสะอาดมันปราศจากโกลทินแต่ที่มันเศร้ามองก็เพราะผู้หลีสิ่งมายั่ยยวนพาให้มันเศร้าหมองพาให้มันสกปกแต่สิ่งเหล่านี้มันก็เป็นนมามธรรมแต่เราไม่น้อมนำาอมาพินิจพิจารณาเรามันกยเลยไม่เข้าใจไม่รู้ไม่เห็น เวลาเรามากําหนดมาพิจิตรพิจารณามาหนะกําหนดด <c oughs> ูจึงจะรู้สร้างสติให้มันมากๆเมื่อสร้างสติมันมากๆเราจึงจะรู้ให้เราพิจิตรพิจารณาดูสิที่อดีตที่ผ่านมานั้นเราสร้างความชั่วเนื้อคามเข้ามาผลเข้ามา พอเรามาตั้งใจประพฤติปฏิบัติเราจะเสียดายเวลาที่มันผ่านมาผ่านมาแต่มันก็เอาไม่ได้เอาคืนมาไม่ได้เออมันพอมันผ่านไปแล้วเราไม่สามารถคืนได้ <c oughs> นัน่นเป็นอดีตเราอย่าไปฟะวงมันปล่อยไปเราเอาปัจจุบันธรรมตั้งหน้าตั้งตาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตั้งใจประพฤติปฏิบัติ ถ้าเราทำไม่ดีความดีแล้วเราจะได้รับนั่นเห็นไหมแต่เราก็ไม่รูออ้จนกระทั่งผลมันเกิดขึ้นเราจึงจะรู้เพราะสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเทเลเล็กเทละน้อยเหมือนกับหยาดน้ำหยดลงใส่ตุ่มนั่นแหละใส่ตุ่มใส่ใหามันลงเทละหยาดแล้วยา ความช่วก็เหมือนกันความดีก็เหมือนกันมันก็เต็มได้มันก็ได้รับผลการจึงประมาประใหม่เหมือนกับมาอะไรเนื้อมันไล่ไปเรื่อยๆถึงเวลาถึงจวนตัวเมื่ อ, อไหรมันก็ประคุบเมื่อนั้นอันนี้ก็เหมือนกันเราสร้า ง, งงามความดีถ้าเราสร้าง ง, งามความดีรักษาศีลให้ทานภาวนาอยู่เรื่อยๆกรรมบางอย่างมันก็ช่วเราได้ อาจมันเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นอโหอสิกรรมไปบางครั้งก็หลุดพ้นไปเลยนั่นเป็นอย่างนั้นเห็นไหมอุบาอาจ <c oughs> ารย์ทังองค์ท่านทอนความประพฤติปฏิบัติตั้งแต่ยังเป็นคาราวาอออไดีตก็เป็นอีกอย่างหนึง่งเมื่อท่านเข้ามาประพฤติปฏิบัติอย่างองค์ปริมาณแต่ก่อนท่านก็หลงหลง หลงเพราะความโลภนั่นแหละออความอยากความโลภออไปหลงไปฆ่าคนตายแทบไม่ใชน้อยๆถ้าพระพุทธเจ้าท่านไม่มาโปรดก็ <c oughs> ไม่สามารถที่จะ <c oughs> ผ่านพ้นกรรมตัวนี้ไปได้นั้นนะ่ะเพราะอาศัยผู้มีทางพูด ผ, ผู้ท่านเดินทางก่อนผู้ท่านมีตาอันยาวไกลอย่างพระพุทธเจ้าท่านมาลื้อผลสัตว์ อย่างเรานี่ได้เกิดขึ้นมาพบพรพุทธศาสนาได้มาเป็นมนุษย์พบพรุทธศาสนาแล้วก็ได้มาประพฤติปฏิบัตินี่ก็เราก็ไม่เคยเห็นว่าพระพุทธเจ้าเป็นรูปลักษณะอย่างไรเราเห็นแต่รูปรูปจําลองแต่เราก็เชื่อแน่ว่ามีจริงมีจริงไม่มีจริงเราดูดูตัวเราเนี่ยถ้าใจเราตรงต่อ เ, เ อ, อเาเองตัวตัวเราเองคือสัตว์ตัวเราเองต่อตัวเราเองนั่นแหละนั่นแหละศาสนายอยู่นั่นแหละไม่ได้ยอยู่ที่อื่นอยู่ที่เราถ้าเราประพฤติปฏิบัติดีสร้างแต่งามความดมาีนั่นแหละศาสนาเกิดขึ้นแล้วต่างคนต่างประพฤติปฏิบัติต่างคนต่างสร้างแต่งามความดีศาสนาก็เกิขขดขึ้นได้ไม่ใช่ว่ามันอยู่ที่ไอ้พระที่ พระพิสุสงศาสนาได้ก็ใช่ <c oughs> พุทธประวัติทั้งสี่ที่พระพุทธเจ้าท่านว่ายท่านตัดไว้พุทธเจ้าท่านกร่วงรับไปอืมเพราะสิ่งเหล่านั้นมันเป็นอนิจจังเอ่ที่ท่านปฏิบัติได้อันนั้นมันเป็นของตรงของแน่นอนเรียกว่าโลกุตรธรรมเหนือโลกไม่จัดไม่ ไ ม, ม่มีทางที่จะกลับมาเกิดอีกได้นั่นเป็นอย่างนั้นอันนี้เรายังวนเวียนอยู่เออวันนี้เราตั้งใจปฏิบัติถึงว่าเราไม่ได้ถึงขั้นนั้นเราก็ได้แค่มีความสุขท่านว่าสวรรค์มีจริงเราก็จะได้พบเอ อ, เ, อ, อเราจะได้พบได้เห็นนัออ่นเป็นอย่างนั้นถ้าเราขายันปฏิบัติมีความมุมานะมีวิริยะ ความอดกั้นเราก็จะสามารถติดพ้นไปได้เพราะจิตดวงนี้สามารถพัฒนาได้อยู่ที่ความขยันอยู่ที่ความอดกั้นของเราถ้าเรามีความอดความทนความขยันหมั่นเพียรความดีมันก็เกิดขึ้นถ้าเราขี้เกียจมันก็ไม่เกิดไม่ได้อะไรดีไม่ดีใจมันยิ่งไปต่ำลงไปเรื่อยๆนั่นเป็นอย่างนั้น นี่ฉันั่นท่านจึงว่าให้มาพัฒนาใจของเราเนี่ยเพราะเรามีเครื่องมือแล้วกายสมบัติวิจีสมบั ต, มบติมโนสมบัติพร้อมทุกคนรู้ดีรู้ชั่วรู้บาปลู้บุญรู้ร้อนรู้หนาวเราก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมีความอดทนอดกั้นเอาถ้าเรามีความอดทนอดกัน้นความดีมันก็เกิดขึ้นเรื่อย ให้เราพิจนารณาดูซิตั้งแต่ก่อนพวยังไม่ได้เคยมาเข้าวัดมาประพฤติปฏิบัติยังไม่ได้บังบวชจิตใจของเราเป็นยังไงเออจะกราบจะไหว้กับงูกมื่นเงินอ่นเป็นอย่างนั้นกลัวจะไม่ถูกไม่ต้องพอเข้ามาเรื่อยๆ <c oughs> ต่อคล้องใรนั่นละ่ะให้ดัดกายของเจ้าเราดัดวาจาของเราดัดใจของเรา มันเข้าตามคำนองของธรรมคำสับซ้อนของพระพุทธเจ้าความดีมันจะอเกิดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆความชั่วมันก็เข้ามาไม่ได้มีแต่ความดีอความชั่วมัก็โหดกิกรรมไปนั่นเป็นอย่างนั้นจะพูดจะคิดจะทําอะไรอือเป็นนั่นนะเป็นการงานอะไรก็มีแต่ผลที่จะสําเร็จได้เพราะ เรามีความดีไม่เหมือนผู้ไม่มีความดีไม่มีความคิดมีปัญญาสามถ้าเรามีปัญญาเฉลียวฉลาดเราก็สามารถผ่านพ้นอุปสรรคนาน า, นาทุกตนิดได้อันนี้เราสั่งคนตั้งประพฤติปฏิบัติพอมันทำได้เห็นได้สิ่งเหล่านี้ถ้าเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่างเรากาหนด ทำให้จิตมันนิ่งถ้ามันยังไม่นิ่งเราก็พยายามเอาทําบทใดบทหนึ่งมากํากับอย่าให้เผลอเออถ้ามันเผลอเราก็ตั้งใหม่อืมทําให้ใจมันสบายถ้าเราไปคุมมันมากมันก็ไม่ได้อันนี้มันเพราะทางเราไม่เคยเทียวมันลิีนเราพยายามหาอุบายมาอ่อมมัน มหลอกล่อมันหลอกล่อวันนั้นบ้างหลอกล่อวันนี้บ้างพอมันเคยมันคุ้นแล้วมันก็เดินไปเองของมันการประพฤติปฏิบัติการภาวนาเหมือนกันทีแรกมันก็ยากเพราะเราเรามันไม่เคยพอวันนั้นบ้างวันนี้บ้างความเคยชินก็มีความเก็บความปวดมันก็ไม่ได้ไปสนใจละมันเป็นเรื่องของเขา ก็จะเรื่องของเราเรื่องของเรามีหน้าที่ทําจิตให้มันสงบเมื่อจิตสงบแล้วจิต <c oughs> <c oughs> มีกําลังอันท่านว่าทำมีอยู่เราก็สามารถจะรู้จะเห็นได้เออนั่นเป็นอย่างนั้นไอ <c oughs> <c oughs> ต่างคนต่างกําหนดต่างคนต่างพินิจพิจารณาเออตอนไปกําหนดต่างคนต่างกําหนดพูดไม่ได้แนละ้วมันอ เครื่องมือไ ม, ไม่ให้แล้ววันนี้พ <c oughs> อฉันยาเฉ็ตมันขึ้นนี่ละโลกเกิดขึ้นมามีโลกประจำมันเป็นอย่างนั้นทุกคนต้องมีทุกคนแต่มีมากหรือมีน้อย อ, อยู่ที่กรรมการทมของเขาหรือเราตั้งแต่พวกก่อนชาติก่อนเคยกระทามา แก้ว่าจริงเหล่านี้เราก็ไม่ปรารถนาแต่มันก็ได้รับพอเราทํามาแล้วอถ้าเรายอมรับเจ้ามันก็สบายถ้าเราไม่ย อ, ยอมรับเราก็เป็นภูมิอีกนั่นนะเกิดจิตใจฟุ้งซ่านกขบวนกะวายถ้าเรายอมรับแล้วมันก็ได้รับแต่ชาติตาจุบันนี่แหละในอนาคตข้างหน้าเราไม่ไปสร้างไม่ได้ไปทำอีกมันกัสิ่งเหล่นั้นมันก็หมดไปอันนั้น ให้เราพินิจพิจารณาให้เราตั้งใจสร้างคุณงามความดีมันเป็นการรักษาจิตการแห้ทานการภาวนาก็ตามมันเป็นหน้าที่ของแต่ละบุคคลที่เราจะทำเวลานจะเป็นห่วงเวลา เอาจิตเป็นที่ตั้งเพราะเราภาวนาเอาจิตเรากำหนดพุทธเข้าทัวพุทเข้าทัวเมื่อกำหนดจิตมันละเอียดเข้าละเอียดเข้าคาว่าพุทธทมันไม่ไปยุ่งหรอกวางไปเลยเหมือนกับเราตามโคเนี่ย โ, โครเราเคยเลี้ยงเราเคยเลี้ยงมาเราก็รู้ว่ารอยมันเป็นยังไงเราก็นำตามไปตามไปพอไปถึงโคแล้วเราเราไม่เอารอยมันเอาตัวโคอันนี้ก็เหมือนกัน เมื่เรากําหนดพิจารณาคำบุตรกรรมของเราจะเอาคําบทไหนก็ได้แต่วิมุาตเจ็ดของเราสงบไปถึงผู้รู้แล้วเราไม่เอาเอาผู้รู้เออเอาปัญญานอนเอาผู้รู้นั่นเมื่อผู้รู้เกิดขึ้นความชั่วมันจะเกิดมาความดีมันจะเกิดมาเรารู้เออนั่นเป็นอย่างนั้น ความชั่วงกิดแล้วเราก็พยายามละเสียให้กระทํามันอ่นความดีเกิดขึ้นเราก็พยายามจเจริญให้มันมากๆอะนะเป็นบุญเป็นกุศลแกล่เราเออไปก็มีความสุขอยู่ก็มีความสุขไม่มีความทุกข์ทรมานนันเป็นอย่างนั้นอต่อีไปกําหนดที่นิพพิจารณาต่างคนตางกำหนดหนัง่นเงเนียบๆฟังอันนี้ฟังอุบายแล้วก็ฟังธรรมัน ทำมันจะแสดงขึ้นของมันเองเออเพราะว่าทำมันมีอยู่เออความเกิดความตายมันก็ตายอยู่ทุกวินาทียิบยับยิบยับยิบยับถ้าเรามีสติกำหนดย้อนก็มามันจะรู้มันจะเห็นที่ยังไม่รู้ไม่เห็นนั่นเพราะว่าสติของเรายังห่างอยู่เออเราไม่รู้ว่าความตายมันตายยังไงเราไปเห็นแต่คนตายเอาไส่โลงมาเผาเราเห็นแค่นั้นพอไปเจออันนั้นแหละเราก็เศร้าโศก เสีย ใ, ใจเสียท่ถ้าเป็นญาติเป็นผู้ที่รักเออท่านเราอ า, ารักมากโศกมากรักน้อยโศกน้อยนั่นถ้าเป็นญาติเป็น พ, อพ่อเป็นแม่เราก็ใจะโศกเสียใจไปเสียถ้าเราเอาสิ่งเหล่านี่มาวินิพิจารณาเมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเราก็ไม่ได้ไปสะโศกสะพานมันมันเราปล่อยไปตามสภาวะความจริงจของเขาเออของโลกคนนี้เขาเป็นอยู่อย่างนี้ แล้วแตเกิดขึ้นมาก็ตามให้เกิดขึ้นมาก็ตามเขาเป็นอยู่อย่างนี้แต่ที่เราไม่รู้น่นเพราะ ว, าวิชามาปกปิดปิดใจของเราไม่รู้ไม่เห็นอืมเราอุปาทานของเรานะ่ะสําคัญแต่ยึดอันนั้นกัของกูอันนี้ก็บของกูพ่อแม่ของกู <c oughs> ลูกของกูอะไรก็บของกูหมดเนี่ยกระทั่งพาดีดินนา้าไฟลมอะไรของกู และที่จริงแล้วสิ่งเหล่านี้ของเป็นสมบัติโลกเรียวกว่ากากเมืองมันมีใครส า, สามารถเอาไปได้แม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ดสละทิ้งสิ่งที่ท่านเอาไปก็คือวางความมีคุณกุศลท่านสร้างบา ร, รมีมาท่านเอานั้นละไปอท่านเมื่อท่านรู้คน้คนพบรู้เห็นแล้วท่านก็มาแจกมากันแนกแจกจ่าย ใ, ให้พวกเราได้เห็นได้รู้ตามนั่นแหะเป็นเราครับ เดินตามนั้นหละที่พระพุทธเจ้าท่านพี่บอกแนี่ให้ความดีความชั่วนั่นน่ะบอกให้รักษาศีลตั้งใจประพฤติปฏิบัติในทานการสละนั่นพยายา ม, มจะเป็นการอภัยจทานอภัยซึย่งกันและกันนี้ก็เป็นพานเหมือนกันนั่นน่ะเมื่อเรามีพานอย่างนี้เราก็อยู่ที่ไหนก็มีแต่วความสุขนั่น แต่อยู่มากน้อยเท่าไรก็มีแต่วความสุขพอเรามีความสามัคคีมีความปองร้องซึ่งกันและ ก, กันคือมีทำเครื่องอยู่เสมอกันไม่รักลแรนกันถ้ามีทำไม่เสมอกันรักแร้กันอยู่น้อ ย, ก, ก, อย ก, ก็ไม่มีความสุขจะอยู่ประสาทนาจต้องก็มีความสุขเพราะเราไม่ทําใจของเราไม่ยังไม่พ อ, อฉะนั้นท่านจึงว่าทําใจเราเมันพอ มีน้อยกับสบายมีมากก็บสบายการประฏปฏิบัติธรรมมีมากเท่าไหร่ไม่เป็นไรไม่หนักไม่เหมือนทรัพย์สมบัติเข้าคลองเงินทองให้มีมากหวังแหนนั่นมันเป็นอย่างนั้นลืมหลงว่าจะของจะเอาไปได้ เ, เวลาเราตายไปที่แท้เราเกิดขิ้นมาขมามาตัวเปลา่า สมบัติพระนาานเอาข้อเงินทองเรามาหามาทีหลังมาสั้างทีหลังพอเรามีกายะสมบัติวัชีสมบัติมโนสมบัติเราเพียบพร้อมแล้วเราก็มาหาทีหลังสิ่งเหล่านี้แต่ว่าคนมันหลงหลืมเพราะอาวิชชา น, นั้นแนละมอ่งอุ้มพยายามให้นะปวก โลภะโทสะโมหะค ว, มความหลงความโมเมาอันนี้แหละพยายามแยกแยะที่พายให้มันเห็นตามสภาวะความเป็นจริงเมื่อเห็นตามสภาวะความเป็นจริงแล้วเราก็ไม่หลงไม่ลืมเนี่ยมันเป็นงั้นเมื่อสิ่งเแล้วนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยไยตามไปตามความเป็นจริงของเขา้าอืมเราก็สบายเลยใจของเราไม่เหนียวใจของเราไม่โศกไม่เศร้า อสุขสุติเป็นที่หวังมันเป็นอย่างนั้นอ่าเวลาเกิดความเจ็บความขึ้นมาความไข้ขึ้นม า, ควา ม, ค, นมาความตายขึ้นมนันมาเข้ามาใกล้ใจของเราเศ้ามองสุขติก็เป็นที่หวังเป็นอย่างนั้นฉะนั้นให้ดูใจของแต่ละบุคคลเออต่างคนต่างดูของใจของแต่ของให้มัน ปล่อยให้มันวางให้มันว่างเดี้ยวนี้มันแบอืมมันจะหนักแสนหลักเท่าไรมันก็ไม่ยอมเออใจดวงนี้สามารถแบกได้ทิงร่างกายมันจะทุกข์โทรมมันจะเดินไม่ไหวแต่ใจดวงนี้มันไม่ตายมันออกจากร่างนั้นมาไปสู่อีกร้างใหม่วนเวียนอยู่นั่นแหะถ้ายังมียางมีเชื้ออยู่เชื้อตัวนี้แหละพาไปเกิดเสื้อสื่ออะไรคือวิชาความไม่รู้นั่นแหละ อยู่ที่ไหนท่านบอกว่ามันอยู่ที่ใจเราก็พยายามกําหนดดูว่าใจตัวไหนมันเป็นใจตัวไหนมันเป็นนั่นที่ดวงหาไทยที่เหมือนเหมือนกับปีกล้วยนั่นนะอันนั้นมันเป็นวัตถุเป็นธาตุไม่ว่าธาตุดินเป็ น, น, าฤาฤนปนี่สิงโตติตเป็นที่อยู่ของเขาเลยเออแต่ใจแท้ๆอัน เ, น, นเป็นนามธรร ม, ามเราสามารถกําหนดรู้ได้อืม ที่พูดนี้เป็ น, ปนคําพัญญัติคําสมมุติเออให้มันรู้กันเฉยๆเออแต่ทําแท้แล้วมันไม่มากหรอกค่าย้อนเข้ามาดูกําหนดดูเออทําแท้นั่นนะมันจะพูดออกมาเป็น <c oughs> เป็นประโยคเป็นคำก็ไม่ได้อเรากําหนดดึงเข้าไปดูให้มันแน่แน่ให้มันชัดจริง ๆ, ๆเออนิวดูเวลาเรา เก็บเราป่วยหรือเวลาใจเราจัขาดกัน่ะเวลามันจะออกจากกลางมันเออมันยืดออกยืดออกยืดออกนะเออเรา ก, กําหนดเอาตาในไม่จะลืมตาดูนะตาในดูกําหนดพิจารณาดูมันยืดยื ด, ย ด, ยดจนมันจะขาดถ้ามันยังไม่ขาดมันไม่ขาดหรอกเออเพราะมันกลัวตายอยู่เพราะมันหวัวมันหองอกดู วางในกององอกเจ้าวานะขคืนนั่นละตอนนั้นละตอนสําคัญตอนเราจะหมดลมปราณ น, นั่นฉะนั้นท่านต้องเตรียมตัวไว้ก่อนก่อนเราจะหมดลมพปราณที่เรายังมีกําลังวังชายังมีร่างกายแข็งแรงอยู่เราก็เตรียมตัวไว้ตั้งผ้าไว้เมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเราก็ไม่สระทบกระทานออพอเราได้เตรียมตัวไว้แล้วเออ รู้เห็นมันแล้วอย่างเรานั่งกําหนดดูทุกแต่มันรู้เห็นเออทุกมันเกิดมาจากอะไรแล้วก็กําหนดคิดพิจารณดูถ้าเราย้อนดูแท้ๆมันเกิดมาจากสมุทัยทุกนั้นเป็นตัวผลสมุทัยเป็นตัวเหตุมันสร้างเหตุขึ้นมีกรรมมัจนาภวตนาวิภวตันหาเนี่ยแหละความอยากแหละความอยากตัณหาเออความอยากสิ่งเหล่านี้แล้วมันพาให้ เกิดทุกข์ถ้าม่มีสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่เกิดทุกข์ถ้าเรากำหนดให้มันแยแกแยะให้มันเห็นตามสภาพความเป็นจริงที่โลดมันเกิดเกิดขึ้นคือเราเดินให้มันถูกทางทางสมาธิมกักงคือจินสมาธิปัญญาที่พระพุทธเธจ้า่ันยนย่อไว้มีอยู่เมื่อกาหนดก็แล้วก็เหลืยอยู่ใจอันเดียวนั่นแหละ ก่อนเราจะมาประพฤติปฏิบัติแล้วก็มีใจเลื่อมใสศรัทธาทีา่ก่อนเราจึงสามารถมาประพฤติปฏิบัติได้ถ้าพูดไปมากมันกล็ลายแล้วก็ย่นมาที่ใจเออจะทํางานการอะไรถีอเป็นคดีโลกตามคดีธรรมก็ตา ม, ก, ามก็ออกจากใจนี่แหละใจนี่เป็นผู้บงมันจึงว่าใจนี่เป็นมหาเหตุเที่เราจะเกิดเฉพาะอาศัยใจนี่แหละ อ, อืเป็นตัวเหตุเป็นตัวดั้งตัวเดิมอืม เมื่อเรากําหนดดูเหตุดูเห็นตามสภาวะความเป็นจริงแล้วเออเราก็สามารถหลุดพ้นสิ่งเหล่านี้ไปได้แต่เดี๋ยวนี้เรายังไม่สามารถเห็นตามสภาวะความเป็นจริงอืมเรายังน้อมไปไม่ถึงเพราะสติปัญญาของเรายังมันน้อมอยู่เออเมื่อเราตั้งว่าทุกวันกําห น, นดที่นี้พิจาณาทุกวัน <c oughs> ความรู้มันก็แตกส้านขึ้นความดีมันก็เจเริญขึ้นจเจริญขึ้นความขยันมันก็ขยันขึ้นความที่เสียที่้านมันก็ไม่เข้ามาใกล้นั่นละ่ะถึงเวลา